วันนี้ก็นับว่าโชคดีปีใหม่ฤกษ์มิ่งขวัญมงคลชัยคืออายุว น, นาสุขภาภรพติภานตนาสารสมบัติเป็นพร อ, อันประเสริฐคำว่าพรตัวนี้ประวัตอันประเสริฐพร่ำเลิศทุกประการคิดอะไรสมความ ม, มาศาสนาจึงลัวพรปีใหม่แต่แเราท่านทงหลายวันนี้ต้องสํานึกก่อนหนึ่งว่า เราล่วงพ้นไปได้หนึ่งปีเราก็แข่ไปหนึ่งปีแล้วโปรดสำนึกหน้าที่สมัญญาในชีวิตของตนเองเป็นข้ออันดับแรกข้อที่สองลองลงมานั้นหมดเวลาไปในปีนี้สองพันห้าร้อยสามสิบร่วงแล้วผ่านพ้นไปแล้วหนึ่งปีในปีนั้นเราก็ได้รับพรเมื่อปีที่แล้วมาว่าอายุวันนะ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 ผิวพันณผ่องใสมาหนึ่งปีนะ้ามีทั้งทุกข ม, มีทั้งโสกมีทั้งโรคมีทั้งภัยมีทั้งเสนียดจังไรลราชมคมขื่นผ่านคนไปแล้วหนึ่งปีมีความหมายในพรปีใหม่มากคือวันนะผิวพรรณผ่องใสมีความหมายวันนะผิวพัรรณผ่องใสสุขขังคือความสุขกายสบายใจ กิจกรรมราบเรือนชื่นบานมีทั้งทุงทกโศกโรคภัยสลับถับสนกันมาและพ้นไปแล้วหนึ่งปีมาปีนี้ก็เป็นสริมิ่งขวัญมงคลของปีใหม่ที่เราได้มาร่วมใจกันสามัคคีกันทอดต่อป่ า, ปาสับปริวาลังให้อายุยืนคือกษ า, ารมีข้าศึกกสารสับปริวารังเครื่องใช้ไม่สอยทุกปริการก็สมกับความนึกของเราคือพรปีใหม่ ทุกคนขอแต่พรสวัสดีปีใหม่กินเหล้าเมาสุราเล่นกันทำนองนี้อันนี้ไม่ใช่พรไม่ใช่ศักดิ์สิท์ไม่มีฤทธิ์มีอํานาจวัสนาแต่ประการใดเป็นพรที่ต้องเสียงเงินเสียทองไปเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่ไเคยคิดถึงพรข้อนี้เราเจอกันก็บอกสวัสดีปีใหม่ขอแท้จริงว่าพอรอันสวัสดีมีดีที่จะให้เขาหรือไม่ประการใด วาชาเราจะสับสนเหมือนพระล่วงเจ้าหรือไม่พระการไดสัจจังเวอมตาวาจามีความจริงใจไหมมีความจริงจังไหมมีจิตตั้งใจถึงไม่ลำพึงลำพันธ์ให้งานสาเร็จร้ร่วมคอยดูดีผู้มีปัญญาอย่างนี้จึงไม่หลัวพรแล้ว่าพรต่อพรบุญต่อ บ, บุญบาปมันก็ต่อบาปเป็นไปทำนองนี้เป็นตน้นอัตมาจะกล่าวพร น, นี้ให้หึง น้อมนถึงเรื่องเก่าจึงจะเป็นเหตุของพอรในวันนี้ด้วยเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เพื่อเป็นอดีตสะดุดดีให้ความดีกับท่านทั้งหลายที่ความซึ่งใจที่มีการมานานแล้วเพราะโลกมันจมพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกล ม, มให้ชะโลกแบนหมุนเวียนเปลี่ยนแป ล, ป ล, ปลปงกันไปตามสภาพและเราก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้วยปัาจนี้เราเปลี่ยนชีวิตมาม า, มากหลายมาถึงทางไวัยชราแล้ว บางชั้นก็เปลี่ยนจากทารกทออกมาเป็นเด็กเล็กๆร้องเอาแแว่แล้วเปลี่ยนมาเป็นเยาวชนเปลี่ยนต้นชนกลายเปลี่ยน เ, นเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบมีครัวมีหลักฐานมีงานทํามีสามีภรรยาเป็นกู้ครองมีทองแผ่นเดียวกันมีมนุษยสัมพันธ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้นะมีความหมายหลายชั้นดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นขอสุขดีความดีของท่านทั้งหลายเป็นความสวัสดีปีใหม่ ก็สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ต้องมีเหตุมีอริยสัตวจสี่คือมีทุกข์มีสมุทัยหลดมากมีเหตุมันถึงจะมีผลมีต้นมันถึงจะมีปลายมีห่วงมันมีหัวมันก็มีหางมีหญิงก็มีชายมีกลางคืนต้องมีกลางวันมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์กลับสนอรมาลกันไปอย่างนี้บางทีเรามีความสุขมันก็ไม่มีความทุกข์ บางครั้งมันมีความทุกข์ความสุขก็หายไปในจิตใจแล้วก็เศราหมองผน่อลนพ่อป ล, ล, ล, ลนกันไม่ได้โดยวิธีนี้ท่านทั้งหลายนักธรรมะต้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกนี่แหละโลกเอ๋ยโลกมนุษย์แสนจะสุดซึ้งคำว่าโลกแปลวาอะไรอันหมูสัตว์ที่เราอาศัยกันอยู่นี่คือโลกอีกส่วนหนึ่งโลกเอ๋ยที่อยู่ในตัวเราอย่าลืมโลกกายลกใจโลกระทมของคืน ฝันหวานในค่ําคืนทุกเวลามีทั้งโลกภายนอกมีทั้งโลกภายในโลกอันยิ่งใหญ่ก็คือโลกอมู่สัตว์ที่เราจะพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในโลกมนุษย์นี้น้ําจะต้องพึ่ง เ, งง ร, ง เ, งเาารืรอเสือต้องพึ่งปา่าโบราณชั้นว่าวไหวชาจะต้องข้าเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่าน้ําจะต้องพึ่งเรือเสือต้องพึ่งป่าอาศัยเราก็สิตคิดดูบ้างเขาก็ใจมีความหมายอย่างนั้นแล้วเหตุผลเราพึ่งกัน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 โลกเอ๋ยโลกไกลอยู่ประจําตัวเราโลกเอ๋ยคือหมูสัตว์ที่เราจะพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในบ้านแม่หมู่ชนบุคคลทั่วไปมีความสําคัญในบ้านนี้มีความสําคัญในหมู่บ้านนี้มีความสําคัญในตําบล น, นี้มีความสําคัญในอําเภอนั้นและจังหวัดนั้นมีความสําคัญชั้งเขกขานประจักษมามีความสําคัญทั้งประเทศเป็นเหตุผลก็บุคคลสําคัญมีความหมายอย่างนั้นที่รับผิดชอบอร่วมกัน ที่ไหนอยู่ในโลกมนุษย์นี้คือหมูสัตว์ที่ต้องพึ่งปลาสายกันนั้นไม่มีอะไรเลยที่เต็มไปด้วยเมตตาราณีต่อกันที่เราจะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอะไรหนอเป็นผู้ประถับโลกนี้ให้อยู่ด้วยความมั่นคงโลกนั้นคือโลกอะไรที่อุปถัมภ์ได้ได้จากเมตตาผู้มีจิตเป็นกุศลผู้มีจิตใจอารีเอื้อเกิดความสามัคคีในหมู่สัตว์ที่เราอยู่ร่วมกันนั้นเป็นความสําคัญมาก บางคนไม่มีเลยมีน้ําใจก็ไม่งามคามสวาดขาดผู้ใจนใจ้ำใสใจจริงก็ไม่มีอยู่ในสิ่งทองบุคคลนั้นจึงไม่มีความที่จะเป็นพึ่งพาใยกันในโลกมนุษย์นี้นับภาษาหลายโลกที่อยู่ในวงกว้างยังจะต้องอิฉากันริษยากันะไหนเลยแล้วโลกตายมันก็เบียดเบียนโลกใจก็เกิดขึ้นจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็ไม่สบายผ่อนคลายกันไม่ได้ไม่ผรสัช้นผ่อนยาวกัน อยู่ด้วยความแตกแยกแบ่งชัน้นมันนี้การเพราะไอ้โลกนี้เองคือหมูสัตว์แต่หมายความว่าหมูสัตว์คือชีวิตภูมิจิตใจเพื่อเอื้ออารีเมตตาท่าจุนถาพระบาทธรรมโลกไว้ได้คือเมตตาให้เราอยู่ด้วยความร่วมกันด้วยมนุษยสัมพันธ์จึงต้องพึ่งพาอาศัยการดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกนี่คือโลกพร้อมให้ตายก็เจอกันอย่างนี้ไอ้หนึ่งเจอกันช่างหนึ่งก็ยังดี แล้วก็เวียนกันไปเวียนกันมาแล้วไปหาที่เดิมเราเคยมาจากไหนต้องไปหาที่นั่นเพราะเรายังไม่สําเร็จมาผลนิพพานแต่ประการใดก็เวียนไปเวียนมาล้มหายตายจาไปแล้วก็มาเกิดอีกแล้วต้องมาเจอกันอีกทานองนี้เป็นต้นคนเรามีมือสัมพันธ์ต่อกันเคยเอื้ออารีเืคอเกิดความสามัคคีกันเคยได้ช่วยเหลือกันสูงกันอุปถัมภ์บำรุงกันด้วยเมตตาแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันอีกต้องมาเจอกันอีกในวันเวลาต่างๆกัน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 เพื่ออารีการช่วยเหลือกันมาก่อนจะข้าอาบิดมามาในชาติต่างๆก็ต้องไปช่วยเหลือคนโ น, โน้นช่วยเหลือคนนี้เพราะ ส, ะสายสัมพันธ์มันช่วยกันเป็นดินโดดต่อกันด้วยความดีมีปัญญาสําหรับบุคคลผู้มีเมตตาผู้มีเจตเป็นกุศลเท่านั้นจึงจะมีอายุมัน่นขวัญยืนตลอดการประวัาสตของโลกมนุษย์นี้อยู่ด้วยความร่มเย็นไในศพไหนเลยเราทั้งหลายโลกหมู่สากจงเด็ยดเดียนกันไหนโลกหายประจำจิตโลกชีวิตประจําใจ มีความระทมขมขื่นข้ามคืนอยู่ในใจเราตลอดเวลาการห า, า ห, หาความสุขไม่ได้เลยหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์ระทมอยู่ในใจิตใจโลกตัวนี้ร้ายมากไอ้โลกหมู่ขาดพอจะลีกเลี่ยงกันได้ไอ้โลกนี้โลกไกลนี่หนีเลี่ยงไม่ออกบอกไม่ได้เลยมันอยู่ประจําตัวใครตัวมันสร้างขึ้นมาสร้างกุศลขึ้นมาในเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตนี้มีความสําคัญมากบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ประการใด อาตมามาดำร ง, งตำแหน่งเจ้าวัดที่วัดนี้ปศ2499ดำร ง, งตำแหน่งแต่งตั้งโดยถูกต้องตามหลักลราชจะมีญ25ัติคณะสงฆ์ปศ2525จตวรรษพอดีที่มาดำรงตำแหน่งเจ้าวัดที่วัดนี้มีความหมายเริ่มต้นตั้งแต่อุโบสถตามดับมายัางนั้นยังไม่ใหญ่ตามโบสถ์ก่อนหน้นี้ปรากฏชัดสะดวกดีท่านญาติน้องทั้งหลายจะมารวมกัน ในปีทั้งคันคือวันนี้มีความหมายเช่นนั้นมาอยู่ดำรงจเจ้าวาดสองพันร้อยสองพันร้อยหนึ่งมีการที่พึ่งมีคนหนึ่งคนจีนมาเจิมรถที่วันนี้แล้วพระพุทธเจ้าหลวงทรงประทับเด็กคนหนึ่งก็บอกอาตมาว่ามีความหมายญาติจะมารวมตังที่นี่นี่พระพุทธเจ้าหลวงทรงประกาศอ ม, มูทนา และจะมีหอประชุมให้ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในบัดนี้จะมีทาหารเข้ามามากมายในอนาคตตะกาลวันข้างหน้าต่อไปเระการที่สามก็บอกไว้ชัดบอกว่าจะมีท่านเจ้าคุณอาจารย์หรือเจ้าพระคุณต้นเด็กโตมีญาติของท่านจะเอามาไว้ลงโบสถ์ในปีพศ2030ดังที่กล่าวเช่นเดียวกันเหตุการณ์ก็ตรงมาตามหมายอย่างที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันพดีในเวลาการต่อมา อุโบสถหลังตาวก็จำนวนสดสมเพราะมสไม่สมแขงเชี่ยวเป็นต้นบรรดาญาจังหลายก็มาร่วมกันอนุโมทนาเริ่มต้นโดยโบสถ์จะพังในวันพรุ่งนี้เวลาสามโมงสี่สิบห้านาทีแล้วก็เป็นพังได้ทันทีไม่ได้รอรีจัดการใดแล้วก็เสียงประหลาดดังขึ้นบอกไว้ชัดอีกเึ่นอยู่กันท่านไม่ต้องตกใจเสียใจของคนเก่าเขาจะมาสร้างกันเองในเวลาไม่ช้า ในเวลาการต่อมาเหตุผลต้นปลายก็คือคลายเข้ามาสู่ในภาวะของโลกนุ์และจิตใจใจ ส, ส, สะอาดบริสุทธิ์คนเคยไหนเคยไปทําที่ไหนต้องไปทําที่นั่นต้องไปทั่วที่นั่นตลอดเวลาก็เริ่มต้นเข้ามาค้นเก่าเล่าสมัยหนึ่งเกี่ยวมีความหมายมากก็เริ่มเข้ามาวัดเป็นซ้อนเริ่มต้นด้วยในทองชอยชโชโรทอนในสมเกจวัฒนาศิลป์พลตรีวสันธนิ์ ข้อสามสนิทมิตรหายก็ร่วมใจกันอนุโมทนาปูโบสดก็จะเสร็จภายในปีสิบหกวันดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นแล้วสายสัมพันธ์ของญาติี่น้องทั้งหลายดังที่กล่าวไว้แล้วก็จะมาร่วมกันอนุโมทนาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็กล่าวว่าเกิดคุณอาจารย์ของท่านจะมาประทับอยู่ในโรงโบสดโดยญาติเอามาจะเป็นญาติของใครมิได้ทราบเพียงแต่กล่าวว่าญาติเอามา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 ที่ผ่านพ้นไปแล้วในวันนั้นกดแทนกรรมมาถึงที่ตา ม, มาจะร่วมตายร่วมกันกับนาวาตรีว่าจิตแก้วในวันที่14ตุลาที่ยี่อสิบห้าคศต้องพานลอ21ในวันนั้นอย่างแน่นอนเราหมดเวลาเียแล้วเราจะต้องจากโลกมนุษย์ไปดังที่กล่าวแล้วแต่พระพุทธเจ้าหลวงเมื่อกล่าวไว้ว่าจะต้องใช้ในมนุษย์จะต้องแสนวะสุดขึ่งในหนึ่งลักบันทึกไว้จะต้องมีหอประชุม แล้เราจะต้องตายเช่นก่อนแล้วก่อนที่จะมีหอประชุมแต่แล้วก็เื้นคืนขึ้นมาได้แต่นาวาซีว่าว่าเสร็จแก้วท่านจะต้องเดินทางไปคอยข้างหน้าบอกอาตมาว่าหลวงพ่อผมไปคอยข้างหน้านะหลวงพ่อไปทีหลังก็ไม่เป็นไรเฝ่ออนุโมธน า, าสาธุการอีกด้วยความราบซึงใจนี่คนเราก็ต้องไปกันก็ไปรอพันธ น, นาถึงนั้นแต่เราไปไม่พร้อมกันก็เราต้องมาใช้นี่กันอย่างนี้สรางหอประชุมขึ้นมา ก็มีทหารก็มาตลอดกระทั่งครูมาอาจารย์เข้การทุกคิดษาตลอดกระท่งนึกษาโดยที่พระพุทธเจ้าหลวงได้กล่าวแล้วท่านบอกไว้ชัดก็โปรงตามเหตุผลต้นกายนัที่กล่าวมาทุกประการยาโจรก็อุปถัมบํารงร่วมกันถือสําคัญเป็นการสดุดีข้อคิดในชีวิตของเหตุผลที่ท่านต้องมาสร้างกุศลที่นีเพราวัดนี้แปดร้อยปีให้หลังยังมีหลักสําคัญอยู่ในตู้ประาบิดกศศสองพัน อ่าสองสองพันสองร้อยหนึ่งก็มีสอง0ันสาม้อยสิบก็มีพศสองพันหนึ่งร้อยแปดก็มีมีหลายตู้ดยการตลอดกระทั่งทรัพย์สมบัติอ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ยังมีอยู่ประกฏบชัดในตู้นั้นนอกเหนือจากนั้นยังมีทรัพย์สมบัติคือลายอักษรของเจ้าระคุณสมเด็จพระพันล้าวัดปากแก้วขีดยาลึกลาทองคำ ถาวายเจ้สมเด็จพระเลสวนมหาราศี่เรียกว่าถาวายเจะพรชัยมงคลได้แก่พาหุงมากามีความหมายมากขออยาทั้งหลายเอาไปลูกหลานสวดพาหุงมากาสวดชัยมงคลคาถาเรียนหนังสือสมเด็จและสอบเข้างานก็สมเด็จแต่ปัญหาไม่อยู่ว่าไม่สนใจที่จะสวดไม่สนใจที่จะดําเนินงานเลยกิจกรรมนั้นก็เสียหายทําอะไรไม่สมเด็จคนที่จะมีความสมําเร็จในชีวิตน่าต้องมีพรสี่ประการ มีอายุวันณะสุขาพละอยู่ในตัวตอนอยู่ในบุคคลที่สร้างปู่สอนได้รับพรจากผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่มีหลายประเภทอยู่กันผู้ใหญ่โดยโอ่าโดยวัยวุฒิผู้มีอายุมากกว่าเราผู้ใหญ่โดยคุณวุฒิถึงหากว่าอายุน้อยกว่าเรามีความรู้ดีมีคุณสมบัติดีผู้ใหญ่โดยชาติวุฒินายแก่ผู้ใหญ่มีชาติสกูลสูงก็เป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่มีสกูลวงตรงความหมายอยู่ในธรรมะ ได้แต่คุณธรรมบางคนที่มีคุณธรรมถึงจะกอยูน้อยก็ไม่สําคัญสําคัญว่ามีความจริงใจก็จริงจังหรือไม่มีจิตเป็นกุศลประการใดว่าคนหัวอ่างหัวงอกแปรแล้วแต่แย่และเกินอยู่นานไม่ไหนานานรู้นานศึกษา้าอยู่นานด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวแล้วก็ไล่ความหมายขายค่าของพรสี่ประการพรสี่ประการจะลึกซึ้งสาหรับบุคคลนั้นต้องมีพรอย่างนี้ผู้ให้ก็ต้องมีดีให้เขา ผู้รับก็ต้องทํำพรที่รับเอาไปใช้ใเกิดประโยชน์รับแล้วเอ า, เอาไปทิ้งเหมือนยกตัวอย่างให้ญาตินลองทั้งหลายฟังว่าเขายกของทรัพย์สมบัติพ่อแม่ยกให้เราเอาถ้วยแกงให้เราหนึ่งลูกกลับเอาไปทิ้งก็ได้พ่อก็อให้แม่ก็ให้พ่อแม่ทั้งสองรวมกันให้มือสองเท้าสองสองมองหนึ่งแต่ลูกแม่แถาให้สมบัติในวัตถุ เออลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยแม่มันมีอะจะให้ดูต่างหน้าแม่ไม่ช้าแม่ก็จะตายเอาถ้วยกระพริกไปลูกนะลูกนะลูกก็เอาไปชิงแถลวเอาไปขายแจกกันหมดครับสมบัติก็ทลายไปไม่อดี๋ยเก็บหอมรอมิดไม่แจกปการใดนี่หรือมิ่งฝันมงคลชายเรียกว่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่หายากไม่ค่อยจะมีมีแต่กินเหล้ามาสุลาเฮเฮเฮเฮร้องเลเล่การตำนองนี้อยู่ตามร้านกาแฟ ตามร้านเล่านั่นแหละออกแขกไม่ดีเริ่มต้นตุ่ีแล้วรับรองเล่นมาดีตลอดรายการรับรองแน่นอนถ้าคนออกแขกดีแน่น่าพาดดีนะรับรองบทบาทดีตลอดโครงการละโปรเจกชุนชีวิตของเขาเพราจะเดินทางไปสู่ความสุขความเจริญเหมือนออกแขกบอกเรื่องดีมันต้องเล่นดีออกบอกแขกออกเรื่องเลยดี บอกเรื่องมาดีโตเจกมาดีแล้วโครงการใช่ไม่ได้น่ า, าบายพื้นฐานไม่ดีออกรูปแบบใช่ไม่ได้รูปแบบไปเจ้นล็อกกันในร้านกาแฟละา ล, ล, ละแล้วก็รูปแบบนั้นมันก็ออกไปสแสดงออกให้เรามีกฎแห่งกรรมจากบุญอย่าทำจากการกระทำผ่องบาปกรรมเริ่มต้นปีออกแขกไม่ดีไหนเลยลิเกละครชีวิตจะเล่นดีแล้ะมันจะเล่นมาดีเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาออกแขก บ, บอกเรื่องราวในวันนี้คือทอประปากข้ อ, าอสาร เพื่อต่ออายุทำไมคนถึงจะมีอายุยืนทุกคนนี่อยากได้รับ พ, พรพรแปลว่านายแปลว่าความประเสริฐรํำเริ่ทุกประการทุกคนอยากได้ของประเสริฐอยากได้เพชรนิลกินดาในภายนอกแต่ภายในใจแต่อย่างอื่นจะไม่อยากได้เลยเอาทุกมาให้จะเอาไหม เอาของที่ไม่ดีมาให้จะเอาไหมจะไม่มีใครอยาบหน้าทุกคนอยากได้ของดีอยากมีปัญญาอยากมีหลับฐามมีงานทำอยากมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันอยากจะมีแต่ความสุขความเจริญไม่ต้องการมีความทุกข์เลยก็ทุกคนเนี่ยทุกคนรู้กันทั่วไปว่าเกลียดความทุกข์รักความสุขดกันทุกคนเหตุฉะไหนหนอจึงไปสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความยากสร้างแต่ความลาบากตลอดในการบุญญาทานไม่ทําผู้สอนไม่สร้าง ไปหายาเอาเงินไปจ่ายแหลกแตกร้านกันในสังคมใม่เกิดประโยชน์ส่งิพยผลกับประธานใดไม่ได้สร้างความดีกับลูกไม่ทําถูก้วกับร้านแต่ประธานใดรับที่ถูกไม่ถูกวิธีทําความไม่ดีให้ลูกดูแล้วไหนเลยลูกจะรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไว้ได้คุณสมบัติก็ไม่มีเชื่อผู้หลากหมากดีก็หมดไปจิตใจก็เรียวลายในสังคมไหนเลยเราเป็นคนดีมีปัญญาจะสวัสดีปีใหม่กันทุงไหนประธานใดทุกคนอยากอายุยืน ไม่อยากจะตายถึงหากําเป็นจะต้องตายก็รอชละชลาชะอเวลาตายให้ช้าลงไปก็จะเกิดประโยชน์ดีมากมิใช่น้อยทุกคนต้องการอายุยืนวิธีทำอายุยืนทํำยังไงมีความรักษาสุขภาพอนามัยตรงไหนประการใดเราก็หมั่นทําทานอายุยืนนี้หมายความว่ามีก็สุขภาสารมีอาหารทุกคนรับแล้วมันก็สามารถยังชีวิตอยู่ได้ตลอดปลอดภัยอีกประการหนึ่ง และการที่สองมีจิตเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใจดำอเอามาขีดเทียมโหดทาลุนดูร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้กรตายแล้วคนนั้นมีแต่อายุยืนมีแต่เมตตาปราณีอรีเอื้อเพื่อขาดเหลือคอยดูกันหน้าสงสารสัประกสศทั้งหลายเออที่เกิดมาในความทุกข์ยาก ลำบากให้โลกมนุษย์ถ้าเราจะช่วยคนดีแล้วไม่ต้องไปช่วยเขาอย่าโยมที่ร้างทั้งหลายเ อ, อ๋ยถ้าเราจะมีชื่อเสียงเนี่ยคนมีร้อยคนคนดีต้องแปดสิบคนคนชัว่วเก้ายี่สิบเอร์เซ็ยี่สิบคนถ้าเราไปช่วคนชัว่วให้เป็นคนดีสักคนเราก็ชื่นใจคนดีแปดสิบคนไม่ต้องไปช่วยเขาเขาดีอยู่แล้วนะแต่คนไม่ดีคนชั่วแล้วเราช่วยเขาขึ้นจากน้ํามาได้สักหนึ่งคน เหมือนคนเราช่วยคนตกเหวไปแล้วช่วยมาหนึ่งคนแล้วจะปลิ่มใจแค่ไหนตอนหนึ่งคนจะตกเหวไปแล้วลืมตาฝากได้เนี่ยเขาจะชื่นอกชื่นใจนะั่นแหละพร อ, อันเริดราำเลิดของเราที่มีอยู่ในใจเราทุกวันนี้นะเราจะไม่เป็นคนใจดำเอามาหิด ต, ต่อไปแล้วจะเป็นคนมีใจท่าผู้ศมีเมตตาถ้าเมตตาอยู่กับบุคคลใดอุปถัมภ์โลกให้มีความสุขในโลกมนุษย์คือหมูสัตว์ ในบ้านนั้นมีความสุขถ้าท่านผู้ใดมีเมตตาเข้าไปบ้านไหนบ้านนั้นมีความสุขคนไหนไม่มีเมตตามียผุ้สวดละรามเข้าบ้านไหนบ้านนั้นเดือดร้อนตลอดไปการหาความสุขปราศจากความทุกข์ไม่เลยมีความหมายอย่างนี้ยแตมามีความคิดว่าถ้าเราช่วยคนชั่วสักคนให้เขากลายเป็นคนดีขึ้นมาสักคนเนี่ยเขาไปมีเมียมีลูกลูกเขาก็อยู่เย็นไปสุขเขาไปมีผัวผัวก็ไปอยู่เย็นใจสุขในบ้านนั้นนับว่าเราสร้างชีวิตในครอบครัวทีเดียว คนที่มีความดีต้อง80สิบคนนั่นหรือร้อยคนก็ตามไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกเขาดีอยู่แล้วแต่เราที่มีความสามารถทำมาสามารถมีบุญวัฒนาบา ร, รมีนําส่งกุศลจะได้ช่วยถึงกลางมวยไม่มวยมรณาก็คือช่วยคนช่วยให้กลายเป็นคนดีช่วยคนที่ตกน้ําให้ขึ้นจากน้ําช่วยคนตกแพ้ให้ขึ้นจากแพ้ช่วยคนกําลังมีทุกข์ให้พลนทุกข์ ถึงบรมมาสุกโดยทั่วหน้าการเขาจะชื่นใจแค่ไหนนี่พรอันประเสริฐล้ําเลิศทุกประการถ้าเราเกิดมาสารโลโรคมนุษย์ไม่ได้ช่วยใครเลยมีแต่คนให้คนอื่นช่วยเราเราจะอยู่ไปทําไมเล่าอยู่ไปก็ให้คนอื่นช่วยเราเราจะช่วยใครไม่ได้เลยชัหรือเราจะอยู่ในโลกนี้เลยไม่เกิดประโยชน์ตอโลกมนุษย์พรก็ไม่ประเสริฐล้ําเลิศทุกประการก็อยู่ด้วยความสังกาดไม่ช่วยใครได้แล้ว คนดีมีปัญญาสา ม, มารถแปล ว, ว่าช่วยคนให้คนทุกข์สา ม, มารถแปล ว, ว่าช่วยคนมีทุกข์ให้มีสุขสา ม, มารถที่จะช่วยคนที่อยากดีมีจนให้ล่ํารวยขึ้นมาอย่างนี้สีถึงเรียกว่าสา ม, มารถไอคำว่าเชี่ยวชาญวิชาการไม่ใช่อย่างนี้คนที่ดีมีปัญญาจะต้องเป็นการช่วยเหลือการตลอดเวลาเหมือนองค์สมเด็จประจัามาสมุทติจาทรงช่วยสับประสักษ์ทั้งโลกให้พ้นทุกข์ ถึงบรมสุขโดยทั่วการคือนิพพานไม่มะเวียนว่าจายเกิดอยู่ในวัตถสงสารอีกต่อไปแล้วอย่างนี้เป็นการช่วยค้าจุนโลกโลกมูตัดจะอยู่ได้ก็เพราะเราเมตตากันครอบครัวจะอยู่ได้เพราะสามีเมตตาภรรยาภรรยามีเมตตาต่อสามีพ่อแม่มีความกรุณาสงสารลูกและลูกก็มีความสงสารพ่อแม่ ร, มรับรมรไปอันหนึ่งเดียวกันในบ้านนั้นบ้านนั้นอยู่ด้วยมีความสุข ดูด้วยความเจริญบ้านไหนอยู่ด้วยความแตกแยกแปกกันทะเลาะวิวาดกันแล้วบ้านนั้นหาความสุขไม่ได้เลยโรกคือหมูสัตว์ก็ทลายไปโรคตายก็แทรกโรคใจก็มาแทงเลยโลกก็เข้ามาสู่ตัวเราก็เกิดจากเรไว้ป่วยไข้ล้มตายกับเชื่องไวไวจะอยู่ต่อไปทําไมเล่าเลยก็กลายเป็นโรคปิดปิตสมัยอยู่ในข้อคิดโลกก็มาเบียดเบียนปีชาเราทําให้เราล้มหายใายวัยคืออายุไม่ยืน อายุไม่ยืนเราท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยถ้าไปช่วยเมตตาใครเท่าเขาก็ดีใจเขาก็ช่วยเราหน้าต่อไปทําให้เราอายุยืนถึงเราจะยากลีเมจรมีเมตตาด้วยคุณธรรมข้อไหนหรือที่จะได้รับ พ, พรสิระกา ร, ร พ, พระพรสิระการคุณธรรมนั่งต่องอ่อนน้อมอาพิวาสกราบไหว้ผู้ใหญ่สามประแพร่โดยวัยวุฒิคุณธรรมธาติวุฒิ ทั้งสามประเภทนี้ตลอดเวลาการความช่วยเหลือนั่นก็จะมาถึงเราเกิดเมตตาธรรมให้แก่ตัวเราเขาก็จะทำเมตตาเราต่อไปเราจะเจ็บเราไว้ป่วยไข้เขาก็ช่วยเราเราอายุไม่ยืนเพราะโรคภัยแค่เจ็บเบียเดเบียนขึ้นมามาใดเขาก็เอาเราไปสู่โรงพยาบาลหรือไปช่วยชะลอความตายของเราให้อยู่ตลอดไปอีกช้านานอีกสองสามปีก็ตายก็ยังดีกว่าจะตายเช่นวันนีน้นี่อายุยืน ถ้าเหนือจำนั้นวันณะผิวพรรณผ่องใสถ้าจิตใจของท่านมีธรรมตามีคุณธรรมมีศีลละจรรวตมีสินดูประจำถิ่นใจรับรองใบหน้าของท่านจะเบิกบานผุด่องสวยเหมือนทองทาธรรมชาติที่หล่อหลาในใบหน้าของท่านตลอดเลยการเทาน้ำใจงามในเมื่อน้ำใจงามและใบหน้ามันก็สวยร่ารวยสวยดีมั่งมีชีสุขถ้าจิตใจเลวสามสามช้าไม่มีคุณธรรมไม่มีสินจะแล้ว ใบหน้าของท่านก็จะยูย่ยี่ยุกหยิกถึงหากว่าเราจะไปทําสัญญาพไปผ่านหน้าดึงหน้าให้มันตึงๆแต่จิตใจมันก็ยิ้มอยู่ภายในไม่ได้มันก็ยิ้มแห้งออกมาภายนอกไหนเลยจะสดใสเลยในภายนอกภายในปุดทองดังทองคําธรรมชาติที่รอเห ล, ล่าได้ถ้าจิตใจเป็นกุศลดังกล่าวแล้วไม่เกินไม่ตางเฮ้ความช่วยเหลือกันเอาไปให้เขาเนี่ยเรามันดีอกดีใจไม่มีภัยไม่มีจังไรจังไร แต่ประตามใดก็ทําให้ผิวพรรณของใสจิตใจก็งามยิ้มก็ยิ้มสดไม่จะยิ้มแห้บางคนก็แกลงยิ้มหรือข้ามยิ้มออกมาเลยก็ยิ้มแห้งแววตาก็ไม่วาวแววแต่ประตามใดแววตาก็ขาดไปจิตใจก็ไม่ดีเลยก็แคล้งยิ้มกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งไหนเลยเราผิวพรรณของท่านจะปุดทองเหมือนทองคาธรรมชาติที่ลอแล้วนี่มีความหมายอย่างนี้สุขภาพดี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 มันมีใบหน้าสวยเราผ่าความโกรธได้แล้วจิตใจสบายก็มีความสุขโดยสุขพะพละหมายความพละคือกําลังแต่เรามีเอาประสบการได้ทําทานทําให้เกิดกําลังกายทาให้เกิดกําลังใจแล้วจิตใจมีเมตตามีศีลามีสารวัตมีคุณธรรมดีแนะ่สุขภาพกายก็ดีตามการศึกษาเขาจึงมีวิชาพละศึกษาซึ้นมาเป็นวิชาหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนลูกหลานได้ออกกําลังกายเล่นพละเป็นต้นนี่ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องออกกําลังกายทํางานอยากที่เกียรติแต่ประการใดวันหนึ่งต้องเดินแปกิโลหรือทํางานในบ้านปลูกพืชผักสทำยาหารออกเดินอยู่ตลอดเวลาการไว้จริงจะยืนเดินนัง่งนอนเหลือซ้ายและขวาผู้เหยียดเหยียดขาสลอดโดยอริยบทของตอนที่ทํางานรับรองกําลังกายก็ดีพละสมาบัติก็เกิดขึ้น จิตใจก็เบิกบานกําลังกายก็มากําลังใจก็มีโดยวิธีนี้งานเศร้าถามทะเบียนถ้าเราท่านทั้งหลายเอ๋ยอ่อนแอเหลือเกินกําลังกายก็ไม่มีโรคใจก็เกิดขึ้นอ่อนแอสูคคนมีกําลังดีไม่ได้ทําอะไรก็คล่องแวคล่วเร็วทางใจถูกต้องเป็นธรรมคนที่ไม่มีกําลังกายไม่มีกําลังใจทําอะไรอ่อนแองานก็ไม่เสร็จทําอะไรยหยอหยอกแยแยไม่เสร็จตามผลที่ตนตั้างไว้ นี่น่ยคนเราถึงต้องมีกําลังกายกําลังใจท่จานสาธุชนพุทธบุตรทั้งหลายนะต้องการไม่เมียุยืนต้องการเหลือเกินต้องการให้หน่าใสาใจสะอาดไ ห, ห้สวยไหมต้องการเหลือเกินต้องทําพรนี้นะทุกคนต้องการอะไรอีกต้องการอายุมัน่นขวัญยืนผิวพรรณผ่องใสสุขภาพดีไม่มีโรค ก, กายโรคใจก็ทําใจให้มันดี มีเมตตาต่อการโลกตายไม่มีโลกใจก็หมดไปแล้วพลังกายเรามีการถวายทานต้องการสวยภายนอกไหมต้องการสวยภายนอกกันก็ไปิจาคเสื้อผ้าที่ดูอาศัยเสนาสนะให้แก่ประสงค์องค์เจ้าแผ่บรรดายาธิยากษ์จนเอาเสื้อผ้าอาภรไปให้เขานี่มันสวยนอกและเอาสวยในมีจิตใจมีศีลเลยก็สวยนอกสวยในสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งหลังลางสวยทั้งบนสวยนอกสวยในสวยในใจด้วย สวยงามโดยเครื่องอุปกรณ์ปริวาณลางครบถ้วนกระบวนการแข่งขันนอกเหนือจากนั้นกําลังกายก็ดีกําลังใจก็ดีทั้งทั้งหลายเอาข้อสารมาแต่และปีในปีนี้ได้สี่ที่อซ์โบดังที่คุณนายบเบลเลือนได้ชี้แจงอนุโมทนาแล้วและจะถูกกระจายชัยทานด้วยโดยวิธีนี้นี่แหละเงินไหลนองทองไหลมารวยมาหาศาลพรุ่ใหม่คือข้อสารตลอดปีการ2 0 5า131 ถ่าจะมีแต่ความทุกขมีอายุมั่นความยืนด้วยข่าวสารเราจะได้มาเลี้ยงคนอบรมในวัดนี้มาปีที่แล้วก็มีคนมาขอโรงเรียนก็นมาขอก็าสารวัดจะผูกภาิมาก็มาขอข่าสารที่วัดนี้ดูนะควรจะไปขอตามบ้านชาวนาที่มีข่าวสารกลับมาขอที่วัดเพราวัดนี้สนดอกเหลือเกินนะตอนอยู่ที่ไหนไม่รู้มันดกกัอนอยู่ที่วัดเพราะรวยมาก รวยด้วยน้ำใจมีเมตตาต่อกันนะรวยมหาศาลเงินไหลนองทองไหลมาเพราะใจดีเมตตาปราณีกันหวงอดหมดก็ไหม่มาเราไม่หวงกันก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆเลยก็เงินไหลนองทองไหลมาเพราะน้ำใจงามน้ําใจดีผู้มีปัญญาเท่านั้นขอต่านสาทุทนโปรดได้รับทราบดังที่ทแกงแสดงมาดังกล่าวแล้วเช่นอยู่กันท่านจึงได้อยากรวยอยากสวยอยากดีอยากมีไม่อยากจนทุกคอนเรทําในทอนนี้ ให้เกิดประโยชน์สอดีแผนผลในชีวิตของท่านต่อไปอาตมาก็ใคร่ขอโนโมทนาที่เข่าสุขาสารกับกุนายละไม้ตายแล้วอย่างเป็นห่วงหน่วงหนักอยู่ในหัวใจมันตีแรกวที่จะตายไปก็เข่าสารมาอยู่ที่กุฏิอาตมาก็ทุกคนก็บน่นคิดถึงคุณนายละไม้เกล็ดแก้วตลอดรายการมีทัพพวกมีญาติสนิทมิตรหายใครจะหา ย, ยากิอันญาตเหมือนอยากคุณนายละไม้ไม่มีแน่ละกันเหมือนญาติพี่น้อง แต่รักเพื่อนรักพ้องก็รักเหมือนพี่น้องของตอนก็ลลหล่อแรงไม่เลือกที่รักไม่มากที่ครงแต่ประการใดเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้รักการขอเห็นจากของเขาช่วยเราจะรักเขาในอย่างข้าไทยได้พึ่งเขาจึงรักแม่ทวารสับซึ่งอา น, น า, วาจวหาสนาเขาไม่ได้อยู่คู่กับชีวาแต่วิชาพึ่งตายจนวายพลานให้ลูกหลายเรียนหนังสือให้นี้วิชาฮักกินสมบัติไทยแตมันไม่มีปัญญามันก็ขายแย่แตกล้านหมดมันติดตัวมันไปไม่ได้เนาะ โหลดเอานี้เป็นหลักหรวงพ่อเจ้าสอนการศึกษาพัฒนาผิดใจให้ดีงานให้อยู่ได้รอดปลอดอภัยพัฒนาในศากอาชีพพัฒนาสังคมให้เราอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยความเมตตาในพร อ, นอันตรีประการนี้จงได้นี่แหละท่านจะได้รับผพรอันนี้สองสองความมุม า, า, า่าพนานี่แหละห่วงกันนะตายไปแล้วยังห่วงกลับไปบอกเขานะอย่าลืมนะที่เคยเข้าสารมาวันที่หนึ่งมกราคมทุกปี เอามานะอุสาตายก็เรียไปบอกคนโน้นวนนี้เป็นห่วงยายอุสามา ก, ก่อนเขามาคอยที่กุติอาตมาหประชุมนั่นข่าวสารมีอยู่สี่แปหรือเก้ากระสอบจำไม่ได้ในวันนั้นบอกว่าคุณนายละไม้ตายแล้วคงไม่มาคงจะไปแล้วอาตมาประชุมสองในบอดตรวจมลวะขาออกมาก็คุณนายละไม้ก็อยากให้ทราบว่าแกมาแล้วเลยข่าวสารหวานหน้าหประชุมก็เต็มหมดเราต้องไปกว่าดกันก็แย่เลย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 คนไหนส่งกระแสจิตคนนั้นคิดถึงใันใครไหนก็ต้องเข้าเหมือนที่จิตของมัมมาตะเร็วกว่าเครื่องบินนึกถึงอเมีริกาก็ถึงนึกถึงเยอรมันก็ถึงนึกถึงประเทศจีนก็นึกถึงนึกถึงบ้านเราก็ถึงกันทีเพราะจิตรวกเร็วทันใจทุกประการมีความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วทุกประการเราเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละจะมารู้สึกตื้นใจนะกอาสุภาษณ์ของท่านทั้งหลายเป็นการต่อข้าวสารต่อเงินต่อทอง ต่อบุญวาสนาบุญต่อบุญเอามาบาปก็ไปต่อบาปมาเดือดร้อนในใจเดือดร้อนทั้งบ้านเดือดรอ้อนทั้งหมู่บ้านสุขภาพสิทก็เสียไปถ้าเป็นบุญแล้วอย่านำพาโปรดดนบรรดาต่อเอาบุญวาสนานำพาส่งพลให้สาเร็จตามเป้าหมายของตอนที่กลางไว้ทุกประการอายุกำมันขวัญยืนละต่อไปเพเหตุนี้ เราจะสวยภายนอกก็เอาเสื้อผ้าเอาพรที่หลับที่นอนเอาไปให้คนณยากคุณจนเอาไปถวายพระสองผู้ทรงศีลกองทำเราจะได้สวยภายนอกจิตใจมีคุณธรรมคือศีลเราก็สวยทั้งนอกหรือทั้งในแต่บางคนมีศีลแต่ไม่มีธรรมหมายความว่าไม่เคยมีทานจะไครเลยจิตใจแค่นในสมอยศากทานภายนอกมีแต่ศีลที่ภายในคนนั้นก็ไปอยู่คนเดียวเดียวใดหัวเดียวอย่างแห้วนอนแนวไม่มีไม่มียาก ไม่มีพี่นอ้องคนเข้าไม่ถึงดูลำพึงลำพันธ์เลยก็คลายเกิดมาอยู่โดยเดียวใดเหมือนหัวเดียวอย่างให่อนอแนวไม่มีแน่จะไม่มีญาติพี่น้องประคองน้ำใจแต่ประการใดเน่นี้เราไม่ใช่แบบหัวเดียวอย่างให่อนอแนวหามีมากเราเป็นผู้มีหน่อแนวมีตระกูลวงมีญาติพี่น้องรักใคร่นับถือกันไปมาห้าสู่การพึ่งนับได้อาศัยกันดีมั่งมีที่สุขกันต่อไปได้แก่บุญกรรม ได้จากกุศลที่เราทำมาแล้วดังกล่าวเช่นเดียวกันในนั้นปีที่ผ่านมา2 5 3 0สามสิบและยี่สิบเก้าขสาต้องหมดไปแล้วสองร้อยสี่สิบระสอบเศษที่เลี้ยงการธีวัตินี้บ้างโรงเรียนมาขอไปบ้างเลี้ยงเด็กยากจนบ้างเรี่ยงในโรงเรียนบ้างข้าวปลาอาหารนักเรียนทั่วไปโรงเรียนวิทยาลัยทั้งหลาย่ายข้อสารจะไปแข่งกีฬา ถ้ารู้จะไปหาทายหาหลวงศีเขากม็มันมีข้าสารให้แล้วก็ไปหาฟลายเวกถือวัดวัดของเราเข้าสารดกแต่ไม่ได้ทํานาที่นี่แต่เข้าสารมีให้เขาทานแล้วข้าสารนี่ก็ไปก่อการให้เกิดประโยชน์คืออาดีสองไปผลงานนักเรียนก็อไปกินนักศึกษาก็าไปกินกินแล้วก็ไปแข่งกีฬานำมาซึ่งวิชาการดังกล่าวแล้ววัดไหนผูกกริมาหลวงพ่อขอเข้าสารหน่อย ก็เอารถมาใส่ไฟยิ่งใส่ไายยิ่งมาใหญ่ต้อนองนี้วัดไหนบวชชีพรามปริวัตรกรรมหาก็อสารตามโลวงสีไม่ได้ตามตลาดไม่พอบินทบาทไม่พอพอใช้บินทบาทไม่พอกันก็ต้องมาขอหลวงพอ่อวัดอภวรันขอข้อสารรอนทิ้งจากปะลิง้งเทวลาโกรธสะทานพรแล้วก็ทิ้งข้อสารมาจากบนญนภากาศมามากมายตอนมานี่ก็ทิ้งวัดีดาหอประทุมแล้ว30มสิบระสอบ มาในวันนี้ก็ประกอบการญาติพี่น้องร่วมกันอีกด้วยความสามัคคีทำนำําสามที่สุขปราศจากทุกข์ในจริงคือพรวันขึ้นปีใหม่ภาสานก็มาร่วมใจการถึงสี่ที่เอดกระสอบสามัคคีกันจริงๆประกอบหนึ่งมีตั้งหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเม็ดในกระสอบครบแต่ละเม็ดนี่ไปต่อไม่แค่หนึ่งเม็ดจะสุกเราต้องต่อไปคนร้อยน้าคนร้อยคนเข้ามาวัดมีการกระจักทั้งคือพอกรกัน พรแห่งบุญกุศลโดนบันดาลเป็นพรสี่ประการในวันขึ้นปีใหม่ในวันที่หนึ่งมกราคมมาคุตสักราสุขันลาศานเ็ดเงินไหลนองทองไหลมาก็จะปรับไหลไปสู่ที่บ้านของข้านดุจปลื้มไปเฉยินดีได้มีโอกาสด้วจากทรัพย์ไวจากชัตุปัจจัยเป็นข้าสุกขสานข้าวเครื่องแห้งตลอดจะทั่งเครื่องสับปริวาลังตลอดจะทั่งอายุมันสองเยืน ด้วยอาหารนี่ทุกประการเพราะอาศัยแม่ตาทำจากบรรดาญาปีน้องของเราทุกคนได้มาสะสมบุรณ์นำความสุขกลับไปหาท่านเป็นพรปีใหม่บางของท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญทํากิจาการก็ราบรื่นชื่นบานสุขภาพอนามตใหม่ก็ดีจิตใจก็เบิกบานจิตสาธารณะดีสิ่งใดก็กิกจาการก็เฉลี่ยตามเป้าหมายทุกประการอาตมาภาพเพราะอนุโมทนาสาธุการแก่บุญยะตร้ง จากการกระทำแห่งบุญกุศลอของท่านทั้งหลายท่านจะไม่ผิดหวังไม่อยากเอาสามมากองทิ้งไว้วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มตอนอ้นนี้วันที่สามนะษาวิรัยอาชุะก็จะเข้ามาอบรมร้อย3 0นะ้อยหติและทยอยกันเข้ามาตลอดรายการมากัางวันก็ได้กินมากัางคืนก็ได้ใช้มือน้ำใจงาม มาตอนไหนได้รับทานตอนนั้นรอนถึงจักรลินเทวราชตโปรยดอกไม้อนามโมธนาเป็นฝนแจ้วฝนเงินฝนทองเคลือบเย็นทั้งจิตใจของท่านก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งมีทองคำที่ท่านมีประจำใจทองคำต้องสู้ลมไม้อทองคาต้องสู้ไฟไม้ใหญ่ก็ต้องสู้ลมที่ท่านต่อสู้กันมาชานานสสมเร็จตามเป้าหมายคือพรอสีเอตอร์การธรรมภาพ ขออนุโมทนาสาธุการกับบรรดาญาติทุกท่านที่มีชื่อในประกาศอนุโมทนาแล้วและได้เสียขละ่ะจุกุคคาใจเชยชานของท่านออกมาบริจาคทานเป็นข้าวสารที่จะต่อการให้คนมา อ, อุดลมเป็นพันๆต่อไปอีกในโอกาสข้างหน้านี้คนเป็นพันๆมากิงข้าวของเราแล้วก็ต้องทําประโยชน์ให้แต่เรามีพลังกายด้วยพรที่ประการไม่จะข้าวสารไปทิ้งอย่างแน่นอน พร น, นี้จึงเป็นโดนบรรดาด้วยอํานาจบุญอํานาจปูสอนและอํานาจคุณปุญติอัตนาใจอํานาจเหตุผลทั้งอดีตชาติที่กันทั้งหลายได้สร้างมาแล้วผสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นตระบาดเดชะไม่ลดละภาวนาเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยพรสีประการโดนบรรดาลให้ทุกท่านดังที่กล่าวแล้วและบรรดาย่าสนิทมิกระหายก็ดีที่มาแล้วก็ตามไม่ได้มาประตาม อยู่ยังบ้านเสหาสถานทุกบ้านทั้งลูกหลานที่ไม่ได้มาปู่ยาตายายและท่านผู้ที่ลมหายตายจากไปแล้วสู่ส้ำประยอพบจงมาปราลบรับส่วนกุศลกสินาทานที่ท่านบำเพ็ญในวันนี้ให้เป็นอั ญ, ญาวิธีภาคปฏิบัติต่อไปด้วยบุญกุศลอ ย, ย้อนกลับมาหาท่านทุกท่านทรงประสบแต่ความสุขสนุกันดอนขอทงกจเริญต่อทุก พ, พิลพรใจจิประการ ไม่อายุขอหายยื่งงานวันโนพิวพ์ของใสสุขค้งคอยสุบ ภ, ภาพตายอนามัยทุกท่านโปรดได้ใจดีโรคภัยเจ็บงท่านมีก็ทรงหายสิ่งทั้งร้ายที่านคิดไว้ณนะับัตรนี้และจะคิดต่อไปโอกาสหนะ้าจงพระงานให้เกิดความสำเร็จประเดชทรพร้อมแก้จับนองความมาตราธนาะ ด้วยการทุกข์ทุกท่าหน้าโอกาสบัดนี้เชิน